เทศอบรมพระวันที่24เมษายน2521กระตุกดีมากเทศการก่อสร้างเรื่องเหอขลังอยามองอะไรมากกว่าธรรมสร้างเหรียญปลุกเสกต่างๆความขลังอยู่ที่ความเพียรความบริสุทธิ์เวลานี้กรรมเรากำลังเหอกำเริบกำลังเป็นบ้าเหอส่างๆ ฉันนมไม่ได้ผมนะราคะกำเริบฉันช้อนขวางตาขวางใจเป็นพระเจ้าชูอาจารย์มั่นตำหนิเงินกำลังมีอำนาจเหยียบย่ำทำถ้าไม่ฉลาดต่อมันอย่าให้ลิ้นแซงทมบุกปาเข้าหาเสือนั่งสว่างนี้เผ็ดร้อนปลุกใจดีมากฟังอัดได้แต่มีราคะกำเริบอยู่ด้วย อย่าเห็นงานใดเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระผู้บวชมาเพื่อทำละทิเลสอาสวะซึ่งเป็นเชื่อนเป็นหนามฝังจงอยู่ภายในจิตใจให้ออกโดยลาบากเพราะอำนาจทางความเพลียนนี้เท่านั้นอย่าอื่นไม่มีทางที่จะทำทิเลตอย่านี้ให้หมดสิ้นลงไปได้ พระพุทเจ้าเวลาทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อความจัดสู่พระองค์มีงานอะไรเข้าไปแทรกเราได้คิดกันบ้างไหมเราเระลึก อ, อยู่ทุกวันทุ ก, วทกวเวลาว่าพุทธังสนางกระชานี้นั่นมีความหมายแค่ไหนเราต้องลึกถึงปฏิปทาของพระองค์ท่านด้วยเวลาออกสมห้าวหนวดพระองค์มีการงานเป็นความยิ่งเหญ่วุ่นวายที่จะมาสั่งสมสิเด็ ความกังวลที่ไห น, น, นไม่มีเมียสงประกอบความเพียงเพื่อสะท้อนที่เหลยอตอนนั้นเป็นแต่ยังไม่ทรงทราบวิธีการปรฏิบัติมันก็ลาช้าและับความลําบากไปตามธรรมดาแต่ยังไงหลักใหญ่คือความสนพระไทยนะั้นต่อความภาคเหียนนั้นไม่มีใครสู้พระองค์ท่านได้แล้วมันมีงานใดมาแทรกมาแซงพระสาวกอรหรันอรหันตอนนั้นมีองค์ไหน ที่ยังไม่บรรลุฤทธธรรมนี่แต่จรู้ธรรมใน ม, มีงานอื่นงานใดเข้ามาแทรกแซงมายุ่งเหยิงวุ่นวายจนการก่อสร้างดุ่มดุ่มนั้นดุ่มนี่ผมก็ไม่เห็นมันจะนักำหนิอยู่ที่ตรงไหนเห็นจะป่าไหนเขาลูกไหนนี่แต่ท่านประกอบความเพียรอยู่ที่นั่นที่นี่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในฐาทนที่นั่นที่นี่ซึ่งเป็นงานเพื่อถอดถอนจิตเรศ รวมกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานพระวจนะไว้สําหรับพระจริงๆนี่ให้จําให้ระลึกเรื่องเหล่านี้เข้ามาสู่หัวใจอย่าเอาเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องขี่ขมูลาขี้ไม้แห้งเรื่องตกกับตกที่เห่อกันนี้เข้ามาทาลายจิตใจนะจะเป็นบ้าไปโดยกันหมด เวลานี้กำลังเป็นบ้านเหอ่อพระกรรมฐ า, านเราเห่อในการก่อสร้างก็เหอ่อเหอ่อว่าเขานิยมนับถือนิมนต์ไปปลุกท่า น, นเศษที่นี่ก็กําลังเหอ่อสร้างนั่นสร้างนี่กําลังเหอ่อปลุกเสดนั้นปลุกเสษนี่กําลังเหอ่อกําลังขลังหนึ่งทั้งทั้งที่หัวใจหาความขลังไม่ได้เล ย, เลยแล้วจะเอาสิ่งนี้ขลังมาจากไหนนี๋ควขอนั้นขลังหัวใจนี้เธอหนะ ดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าด้วยความภาคเพีเรยรเพื่อถอดถอนกิเลสให้มันหมดปเดินดับดับถึกเรื่องความขังไม่ต้องหบอกขันขังเองขังอยู่คนเดียวไม่ต้องไปขังเพื่ออวดโรคอวดสงสารที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนก็ขังถ้าหัวใจตรงนี้ได้หมดสิ่งที่พาให้ไม่ขังแล้วคือกิเลสสิ่งตัำช้าเร็วสั่งมันเป็นเครื่องทําลายความขังของใจ ทำลายคุณค่าของใจไม่มีอันใดมาทาลายคุณค่าของใจได้นอกจากพิเลฒทุกประเภทความโลภความโกรธความหลงราคะราคะตัณหานี่แหละคือสิ่งทำลายจิตใจสิ่งที่จะเหยียบย่มทำลายจิตใจหหาคุณค่าไม่ได้หาความสุขไม่ได้คือสิ่งเหล่านี้เพรา ะ, ะนั้นจงดำเนินจิตตภาวนาตามหลักธรรมที่ภูริเจ้าทรสงสอน อุบายวิธีเหล่านี้เป็นทางเดินที่ถูกต้องและเป็นอุบายวิธีที่จะถอดถอนกิเลสได้โดยลํำดับจนกระทั่งถึงความสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานแม่นอกเหนือพระจากความทักเพียงที่พระพุทธเจ้าทรงประทานาแล้วนี้ให้พวกเราแล้วนี้เลยเราจะหลงหลงโลก ห, ห, หลงสงสารโลกมีมีล้วนตั้งแต่มีคนกิเลสคนมีกิเลสเต็มหัวใจ เราอย่าไปเชื่องห้ยๆฮะก็ตามองค์ในก็ตา ม, มถ้าเราปฏิบัติตามศีลตามธรรมตามหลักของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้น้อมทิ้งทางสนังกระฉานี้ไว้ภายในใจิตใจองค์ใพดพระพุทธปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดทึ้งความรู้ความเห็นที่จะเป็นเครื่องชักสูงหรือเป็นคติเตือนใจเราได้เรายอมรับเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นครูปิญญาชนที่ดี ครูข้าสมาคุณในธรรมท่านกา็กล่าวว่าถ้าว่าเธอทั้งหลายมีเพื่อนฝูงอันเป็นการกัญยาณมิตรเครื่องเป็นคติเครื่องสอนใจซึ่งกันแกันได้ให้พึ่งไปกับทึกสุหรือท่านองค์นั่นเถอะหากว่าไม่มีกัญยาณมิตรแล้วซ้ายพึงไปคน คนเดียวแต่อย่าทำความลำบากนะท่านสอนไม่แล้วทํานทำไม่มีอย่างนี้อย่าอเงที่ไหนอย่าเลงอะไรมากขึ้นกว่าทำาจะตื่นโลกตื่นสงสารทุกวันนี้ยิ่งมีแต่ของปองของเครื่องยั่วยวนควรใจทาลายธรรมะพาจิตใจให้แหลกเลี้ยวไปหมดมีอยู่ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าในวัดนอกวัด สถานที่ต่างๆตามบ้านํามเ ง, ง, ง, งมีแต่เรื่องทําลายทั้งสิ้นทำทั้งงา น, นเราจะไว้ใจได้ยังไงและผลที่มันแสดงออกมาก็คือความรุ่มร้อนอเราต้องการความรุ่มร้อนเหนือเราบ่นมาเพว่ความร่มเย็นทาอย่างไรถึงจะให้มีความร่มเย็นก็คือการกระเพิปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าผู้ทรงได้รับความร่มเย็นมาแล้วเพราะการปฏิบัติเหล่านี้ ก็มีเท่านั้นแถวแนวของพระพุทธเจ้าของสาวกท่านาเนินอย่างไรให้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่าให้เสื่อมให้คลายลงไปอย่าให้อ่อนลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายพุทธบูชาสรรมบูชาสังฆบูชาด้วยข้อปฏิบัติเพื่อกรรมสัจเลี่เอาตายไหนก็ตายเถิดลูกศิษถาพศกุลตายด้วยความมีคุณค่าเพราะความเพียร ขังกุงนั้นขงังยาประหารของ น, นางขังอย่างเขาทํากันนั่นสร้างเรียนมั่งอืตุกเศษนั่นตุกเศษนี่อแสดงอภินิหารก่อนนั่นชร้างนี่มีอภิิหารอภิหารบ้าอะไรมยั น, นอภินิหารกองพากา็เป็นผู้ปราบปรามกิเลสให้อยู่หมัด น, นะนนนที่ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะแทรกขึ้นมาพนานจิตใจได้ หมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยเหลือแต่ขันรวลวนนั่นแหละเป็นผู้ขังเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้แผ่อำนาจภายในตัวเองตาพิเรศได้อยู่ไม่มีอะไรเหลือนี่แลหละอานาจอยู่ตรงนี้ความขั ง, ขงอยู่ตรงนี้เมื่อถึงขั้นความขังเต็มภูมิแล้วอยู่ไหนก็ขังไม่เกี่ยวข้องกับสมมติทั้งหลาย จะพาให้ขลังจะขังอยู่ในหลักธรรมชาติของธรรมล้วนๆที่มีอยู่ภายจิตใจที่ได้ชำัะสิ่งสุกโผลกโสมมมันหาคุณค่าไม่ได้ปอกหมดแล้วมีความขังอยู่ตรงนี้เราจะไหาความขลังได้อย่างไรตื่นโลกเปลีนสามไปไหนอย่างนี้มันกําลังกำเริ่มนะกรรมาฐานเรายิ่งๆเราทําให้เราวิตกวิจาร มาฐานสายท่านอาจารย์มั่นสายเดี๋ยวนี้ใครกระบาดเป็นผู้ศิษย์ท่านอาจารย์มั่นผู้ิษท่านอาจารย์มั่นเพราะอันนี้เขาประชาชนเฉพาะอย่างนี้นภาคกลางเขากำลังมีความสนใจใฝ่ ท, งทางพระกรรมาฐานตุโธมขวัตเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสายของของท่านอาจารย์มั่นดูที่เวล า, าว่างๆเขาหลั่งไหลมาเขาหิวเขาก็หายอยากพบพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติทชอ มีอาจมีทําภายในใจหิวกระหายมันนานเพราะฉะนั้นพอว่างเวลาใดเราเห็นเราดูไม่หลังหลายมันวัดไหนก็มีแต่ภาคกลางเั้านั้นเรามาจองกระถิ่นไม่หมดแล้วพอว่างวันเวลาใดเข้ามาวันเสาร์วันอาทิตย์เช้นั้นก็เอายิ่มีวันตัดปิดชดเชยบ้างมีงานวันหนึ่งแล้วมีวันสุกขั้นกลางค่ำลาสักวันหนึ่งได้สี่วันเขาก็มา เขาหาขงดีเห็นข้าเราพูดถึงที่จะสามารถจะทรงของดีไว้ให้เขาได้อาดได้ดื่มให้จังเต็มปิดเต็มใจมันจะเป็นการขายตัวโดยไม่รู้ตัวธุรกิจที่มีเกลเอะพอมีอะไรยั่วๆเขาบางนี้กำเสมบางนิดมันเป็นบ้างนี่เห็นมันจะลืมตัวตรงนี้เพราะปิดไม่มีหลัก ถ้าจิตมีหลักแล้วเป็นยังไงก็ไม่เพื่อไม่ไหวเวลาที่จะนุโรมผ่อนผันตามโลกตางสานตามการอันควรก็อารมณ์จะเล็กน้อยน้อยเพราะโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันกาลาเทศะผู้เรียนทรรมย่อมทราบคามหนักเบามากน้อยในสถานที่การบุคคลอารมณ์แท้ีย พรอหมดนั่นแล้วก็ดีดพับเข้ามาคงเส้นคงวาอยู่ตามเดิมเพราะจิตมีหลักเป็นอย่างนั้นถ้าจิตไม่ยีหลักหากรดเข็มไม่ได้เคร่งกับเคร่งมันจะเป็นที่ถีมานะถ้าลงหย่อนยานแล้วเคร่งกลับตัวไม่ได้ดีบตัวไม่ได้จมไปเลยถ้ากันระมัดระวัง ตอนนี้กรรมาฐานจะไม่เหลือแล้วนะเพราะความดื่มตัวนั่นแหละเขาชมเชยแต่นนะสนบ้างเป็นบ้าไปภากันละมัดระวังนะตรงนี้ผู้มุ่งทำย่อมไม่สนใจกับสิ่งใดมากทีงกว่าทำเดินนั่งนอนให้มีสติ นี่เที่ว่าผู้มีความเพียรมีสติอยู่กับตัวไม่อยู่กับทำบุตรใดาอาการใดก็ตามให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวจนการถึงสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวอยูเ่เสมอไปได้เพราะการฝึกฝนลมลงที่แรกเขาขาดวักขาดตอ น, แ, นแรกแรกจริงจริงเขล้มลุกคลุกคลานสติกจต่างไม่ค่อยมีแต่การพยายามเพราะอํานาจแห่งความมุ่งมั่นเป็นเครื่องถูนลากกันไปมันก็พยายามไปได้ ก็เข้มแข็งขึ้นโดยลำดับ น, น, นี่เคยได้พูดให้หมู่วพว่าฟังไหมล่ะสราบกี่ร้อยกี่พันกี่หน ค, ค ร, รั้งการดูผนมาลมนี่ได้เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วล่มลุกครุกครานแต่สำคัญความมุ่ง ม, มั่นมันมันมากการกระทำของเราจะไม่รู้วิธีร ล, ลูกคำคๆ ด, ดุดดุเดาๆไปล้มบ้างลุกบ้างทานไ้บ้าง บาานมีความตั้งใจมีมากแต่เพราะความไม่เข้าใจในงานก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนแล้วได้รวบรมเข้าโดยลําดับน่ะยจิตก็ค่อยๆแคล่วค่อยรู้จักวิธีและปรากฏผลขึ้นมาพอให้เห็นได้ไม่นใช น, น้อยเป็นเครื่องแปลประหลาดเป็นเครื่องสะดุดายเป็นเครื่องจะทําให้เกิดความหุดดื่ต่อความภาคเพียงที่จะทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้โดยลําดับนันก็ ค่ตั้งตัวขึ้นได้จนใจมีความสงบเย็นก็รู้ดีใจถ้าหาความสงบไม่ได้แล้วเราอยากเข้าใจว่าเพศธนี้จะ ม, มีความสุขนะทุกข์ในร่างกายที่ถก็เป็นเครื่องเสริมวิเยษขึ้นไปอืมมีแต่กินมีแต่นอนดีที่ถือมันเสริมวิเศษขึ้ไปนะร่างกายที่มีกําลังมากมันทับใจทับจิตราคะออกมา ทานอะไรเข้าไปถึงเวลากำลังแข็งแรงคอยจะจากกำเริกผมเองผมรู้แม้ตั้งแต่เรียนหนังสื อ, อยังเป็นยังรู้กำลังบางช้างงเรามันกำลังเต็มที่แล้วก็รู้ฉันนมไม่ได้ตั้งแ่เรียนหนังสืออยู่เยิมไปหมดน้ำอสุจิสุสเกด อ, อะไรฝันไม่ฝันมันก็ออกก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงมันถึงเป็นหย่างนั้นหนักเป็นอย่างไอ เกิดขึนมาเปียกหมดไอ้มันเปียกด้วยเหตุอะไรมาแต่มันจะมีรู้สึกปวดๆตามเนี่ยเขาเรียกตาลูกเอี้ยงเนี่ยปวดๆแต่ขอในระวังมันจะปวดๆก็ภาษาของมันจะเป็นแม้ป็นทุกวันมันก็เป็นบางครั้งมันก็เป็นแต่มันเป็นออกนินดๆหน่อยของมันะมันเป็นไม่หรอเป็นด้วยเรื่องอะไรมันเป็นด้วยภาษางมันแต่เรารู้นะถ้ารู้สึกว่าทาตุมันมีอะไรมันจะมันปวดที่ตาลูกเอี้ยงลูเอี้ยงเนี่ยที่กับ รู้เพราะมันเคยกันมาตั้งแต่นันแต่ไรทำไมจะไม่รู้นี่เวลานั้นานานมนันมันก็มีนี้นิดหน่อยทมาตามเรื่องมันตอกตามประษาของมั น, นเวลาฉันลงเข้าไปนี่มันเยิ้มเลยเลยิ้มเอยตั้งใจเรียนหนังถือก็เป็นอย่างนั้นจึงไม่ไม่ฉันเรียนหนงสือก็ไม่เอานะพอรู้แล้วไม่เอาเวลาขอวัตถุมุนให้ทานได้เฉวยว่าพระผู้ใหญ่เลยนะเขาไม่เอา ที่ยื่นออกมาปฏิบัติแล้วไม่เอาจนท่านใจมั่นท่านรุ่นใส่เวท่านตางทีตะขาวตาตะขาบต้มมันนะท่านอานมมาเทผสมคนเสียพระท่นี้สังเลยนะทางตะขาบนี้นท่านมหาทานไม่เอานมนะ เด็กนักตักถวายสมากัานะนี่เป็นเรื่องที่ทันรู้นิสัยของเรานม่รู้เรื่องของเราหนึ่งประการสำคัญก็คือท่านสอนพระในวงนั้นเองนะมันถลาดมีความหมายอย่างนั้นไม่บอกคงไปคงมาฮิดดูผมเคยฉันช้อนเมื่อไรต้มไปอยู่ที่ไห น, น ท่านก็รู้ความตั้งใจของผมมีขนาดไหนท่านรู้อย่างเต็มใจเราตั้งใจขนาดไหนเราก็รู้เต็มใจของเราท่านก็รู้เต็มใจของท่านเพราะผมเคยได้ยินท่านพูดถึงเรื่อ ง, องการขบการถันเรื่องถันท้อนพระกรรมาฐานถันท้อนดูแล้วมันขวางตาขวางใจทันทีสดุดใจเหมือนพระเจ้าชูวังขันเพื่อความเห็นัย หาอะไรมาเป็นความสะดวกสบายมาโก้มาเกลี่ยอย่างนั้นมันขัดกันกับความเห็นไผ่ในการถันโดยหลักฐานพยานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าปฏิสังขาโยริโศปินปาตังปุเสวันนั่นส่วนใหญฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้มีอะไรกับรถกับย่าไม่ได้ติดไม่ได้ไปดูไปดื่มผสนใจอะไรกับสิ่งอย่างนั้นพอยังคิดเป็นเท่าเดินไปวันหนึ่งนะครับในาณะความ ทุกของทานเขาขันไปเลยนะดูข้าวช้อนมาชดโกกโกโกโกกมันก็เป็นการส่งเสริมคดีเดเป็นพระเจ้าชู้เลยที่องค์ท่านเองท่านก็ไม่อไม่ทําอนันเกเรียงกับท่านสอนนี่เฉยเห็นเราไปฟังท่านเราฟังด้วยความสนใจท่านว่าอะไรมันเยิ้มเยิ้มคนหัใจมันถึงเลยถึงเลยถึงใจเลยเคยพูดให้หมึเพืู่ฟังเสมอ อยู่กรท่านถึงแปดปีไม่เคยมีความเคยชินเลยท่านจะพูดทีเล่นทีจริงมันจะจับปับ๊บปั๊บ๊ป๊ บ, ป บ, ป บ, ปบตลอดเวละเหมือนเทพอย่พูดถึงเรื่องราคาตันนามันกำเริบรุนแรงเล็ดรวดเร็วเวลาท่าขันมันมีกําลังมันค่อยจะกําเริบขันมากมันก็กําเริบแล้วทับกิตเนี่แหจะทับอะไรเราเคยเป็นหมดแล้ว ผ่านมาธาตุขาน้ำหนังเต็มที่เราก็รู้เหมือนกับมันดิบปึ้งปังบึ้งปังอะอะไรมาเพิ่มนิดนึงมันเสริมมันเลยเสริมเลยนี่ต้องเริ่มระงับด้วยการขันน้อยน้อยหรืออดมันอ่อนเพียง ม, มันไปเรืเเ่อยเรื่อยเ่อยไปแภาวนาค่อยดีขึ้นดีบขึ้นอุบายวิธีการสุผลเจ้าของต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ทีนี้ถ้านก็แม่ครูอาจารย์ท่าน ท่านก็รู้แล้วว่าผมไม่หลันท้อนนะเวลาผมออกจากท่านไปเที่ยวที่ไหนที่ไ่าทั้งๆท่านก็รู้ว่าผมไปด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่เป็นฐานแต่ภาวนาอยู่ตามเขาลูกไหนลูกไหนท่านก็รู้แต่ท่านทําไมท่านถึงยกพูดขึ้นมางนั้นอั้มหามนานมาตั้มหานานหลายวันแล้วนะไปชดใช้ด้วยฝอยไหนนานะฟังดิ ถ้าตินาผ่าพระตีกบาลพระรูมออมนน้มันพระออกมาดื้อมีมาแสดงรห้ทตัเห็นท่านไม่กล้า ค, า ค, คาู่งงงท่านเป้นผู้งงคกลัวกิเลสคนนั้นจะเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นบา ป, ปตัวเองต้งหา อ, อุบายคุยแต่โซเชียลกวคา ย, ยานหนี่ยมันมานะัำหายนะผมตั้งในก็รู้เราเร า, เราตั้งใจกันหนไหนึ่ไม่เคยแตะเลย รู้ท่านไมท่านพูดอย่างนั้นก็คือสอนหมู่สองขนาดนในวงนั้นเองเวลาขากลับมาพระ ก, ก็เล่างหังจนได้ละท่านพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเราพระเลต้องรล่าให้ฟังหมดอ่านอุบายกอาจารย์มัน่นจต้องระวังการกบการถันประผัดมันทำเอางงางแล้ก็เสริมมีรู้จกของ ตอนทักมีกําลังมหมายถึงตอนท่ามีกาลังไม่ได้หมายอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้อะไรมันก็อย่างว่าเนะมันไม่อแล้วก็ถ้าเป็นความต้องการตามลัทธิท่าหลังขันเราก็ต้องการให้มันขันได้นั่นแหละอส่วนที่ว่ามันจะไปเสริมกําลังให้เป็นราคาตัวสามหัวนั้นเราไม่สนใจเราไม่คิดแต่มันขันไม่ได้เพราะเวลานี้ท่านมันทำรุกของมันแล้ว นี่พูดให้หมู่เพื่อฟังในการปฏิบัติต่อตัวเองมีวิปัสสนานอนมันเป็นประด้านนั้นดุนท่านหลังขันนี่แหละเสริมมันแสดงการภาวนาไม่สะดวกพูดเป็นนับภาวนาทั้งเก็ดจิตจะต้องทราบเรื่องทานหลังขัมันเกี่ยวข้องกับกิติอะไรบ้างเราต้องทราบนอนมากมันก็แสดงถ้านอนมากรักพระก็เป็นการเพิ่มเหมือนกันต้องหอนึ่งละไม่ละมั่ง วิธีการปฏิบัติไม่ใช่เล่นๆนะต้องมีอุบายแยบคายต่อหรั บ, บตัวเองสังเกตตัวเองสัตว์จะทำไปสุ่มซือุ่มห้าไม่คิดหน้าขาดหลังไม่ทบทวนด้วยผลโดยทางปัญญาแล้วมันไม่ได้เรื่องนียมันต้องใช้ความคิดปัญญาแล้วเวลามูกเพื่อนมาใหม่มาอยู่นี่ก็ให้ดูมาศึกษาอบรม พามีให้ดูท่านทำํำพาทํางานหมู่เพื่อนทำยังไงหูมีให้ฟังท่านพูดอะไรให้ดูให้ฟังนั่นอะเชื่อมาศึกษาไม่ใช่จะมาฟังครูบาอาจารย์เทศนะโมตัสสะถึงจิวัฒเทศการเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสิ่งที่มาสัมผัสอัตนาของเราที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนกับคาารูบาอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นการฟังการศึกษาทั้งนั้นถ้าเราจะเป็นผู้สนใจต่อการศึกษา ต้องรับการศึกษาการ อ, รรอบรมตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกันแล้วอย่างไรอย่าลืมเรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายยาหามาทํามาถมจิตใจนี้ไม่ใช่งานก็อถอ ถ, อถอนจิเลสเป็นงานเพิ่มกิเลสเป็นงานสะสมกิเลสมากขึ้นความกังวลวุ่นวายเพราะการสร้างเกี่ยวกันเงินเวลานี้ทราบกันหมายว่าเงินกกําลังเมียมหน้า เหยียบย่าทำลายศีลธรรมวัดวาอาวาสตลอดถึงหัวใจท่านเองแหลกไปหมดเลยท่ากันคิดแล้วอย่างนี่คิดนั่นนะ ไ, ไ, ไม่คิดได้หรือมันเกี่ยวข้องอยู่ทุกเวลาตามองเห็นภาพจิดมันอดชิ้ไม่ได้มันต้องคิดสังข์ไก็มีแต่เมื่อไรก็มีแต่เมือ น, นี่ใจเมื่อมันไปทางนั้นแล้วมันก็ดึงทํานั่นแหละวัดถุงก็เข้ามาเหยียบย่ําทำลายจิตใจเสือ หรือไม่ได้เรื่องเลยลนะ่ะวนมาแทนที่จะสังขอดถอนจิเลสมันกลับกลายเป็นเรื่องมาสั่งสมกิเลสด้วยงานนั้นงานนี้ด้วยการต่อการแสวงด้วยความพอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงเป็นด้านมาถูกไปเสียแล้วมันสั่งสมกิเลสวันหนึ่งมากเท่าไหร่เราแต่ว่าเราเป็นกรรมฐานแล้วมันด้คิดถึงเรื่องว่าอะไรที่จะมาเป็นภยัยต่อจิตใจเานี้จึงห า, งงหาความสงบร่มเย็นหาความสว่างแจ่มใสภายในจิตไม่ได้คืออะไรก็คืออารมณ์ของใจนั่นเอง อรมณ์ความอยากอารมความหลงความพุ้งเฟอ้อความเห่อกับหมู่กับเพื่อนกับวัตถุนิยมสิ่งนี้เป็นเรื่องทําลายจิตใจทั้งนั้นผู้ตั้งใจเป็นอดเป็นทางแล้วไม่ต้องยุ่งบินธบาตได้อะไรมาฉันพอเท่านั้นพอได้น้อยได้มากพอไม่สนใจว่าอาหารนี่น้อยอาหารนี่มากอาหารนี่มันรสดีไม่ดีไม่สนใจเพราะยังชีวิตให้เป็นไป เท่านั้นเป็นที่พอใจเลยครับขอให้บำเพ็ญธรรมะขอให้ธรรมะสมบูรณ์เียงนั้นไม่ทําขัดทาภาคเพียรนั้สมบูรณ์นั่นเป็นที่พอใจนี่ได้เคยไ ด, ด้เคยได้เหตุดได้ผลมาหน่างนี้รู้มากมากรู้น้อยก็รู้มาด้วยวิธีการนี้ไมไ่รู้มาด้วยความเรือเฟือความอิ่มหนำช้ํารานอืมอยู่เรือยหุมกินมากนอนมากยินสะดวกสบายไม่ได้รู้ด้วยวิธีนี้รู้ด้วย ความอดอยากขาดแคลนเพราฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าทำเจริญแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความอดอยากขาดแคลนเขินเขียงแต่ทำหาความจเจริญไม่ได้หรือทำที่หายไปเพราะความฟุ่มเฟือยความเหนื่อยล้าเป็นอย่างวัดป่าบรรดานี่เราจะทำยังไงนั่นก็เป็นศรัทธาของเขาเป็นแต่เพียง ว, ว่าเด็กกระซิบกระซาบบอกข้าบอกเล น, นเราให้รู้วิธีปฏิบัติ ต, ตัวเอง คนนั่นกลัามาคนนี้กลับมามันขาดเมื่อไรกอย่างเห็นนั่นแหละเขาก็อยากได้บุญไปเกินางเขาเราก็ไม่มีอะไรที่จะทําห้เขาแต่เราซึ่งเป็นนักปฏิบตัติก็ให้รู้ตัวเองเที่จะปฏิบัติต่อสิ่งใดให้เหมาะสมคือไม่ให้เสียทางด้านจิตใจเราอาหารประเภทใดที่เป็นภัยต่อการภาวนาอาหารประเภทใดทมีคุณต่อธาตุต่อขัน ไม่เป็นไปแต่การไปมาเรายึดอันนั้นเป็นสําคัญยิ่งกว่าลิ้นเราอยาให้ลิ้นวิ่งแซงหน้าทำถ้าลิ้นได้เดินหน้าทำแล้วทาหาทางก้าแล่ได้หาออกไม่ได้เพราะงั้นต้องให้ทําเดินแซงลิ้นสมออย่าถือลิ้นเป็นใหญ่ยิ่งกว่าทำปากเรื่องท้องอย่าถือเป็นสําคัญยิ่งกว่าทำผู้นี้แหละผู้จะได้ผล ในการปฏิบัติเอาทุกก็ยอมรับว่าเราทํางานเราฝึกธรมานกิเลสกิเลสมีกําลังขนาดไหนเราจะไปทำเบาๆหย่อนๆ อ, อ่อนๆกําลังมันได้หรือกิเลสมันมีกําลังมากขนาดไหนมันก็ต้องได้ทุ่มกันลงเต็มที่ถึงคราวเป็นเอาเป็นถึงข่าวตายตายเราได้เคยทํามาได้ทั้งนั้นไม่ได้มาคุยหมู่พืนทงนังเฉยด้วยความโอ้อวดเราทําได้ทั้งนั้นบางครั้งสล่าว่าอาตายก็ตายเธอห น, นึ่งขนาดนั้นมี ไม่ทราบกี่ครั้งกี่รังแล้วไม่ว่าจะไปจะอยู่สถานที่กลัวเคยทําแล้วกลัวอะไรกลัวตรงไหนเดินบุกป่าไปเลยเราเคยแล้วนี่นะเดินจงกรมยังเหมือนกับสือมีสักกี่สิบตัวก็ไม่ทราบอะมาหมอบหยุกข้างทางจงกรมมันเป็นสิบสิบล่อทางังกรมหนูที่สัญญาอารมมันหลอกเราเฮยังไงนี่่ะ เสือทั้งแผ่นดินนี่มันก็มีอาหารเฉพาะพักไม่เป็นท่าองเดียวที่เหนือพระนักสนับเหนือที่เหนือนี่จะมาคอยดูกลินกับท่าองเดียวนีอเสือตัวไหนมันใหญ่สุดอยู่ที่ไหนอืทั้งยามก็หลอกมันอยู่ตรงนั้นอ๋อไปให้ตรงนี้กินก่อนเถอะออกไปไ ม, มนนันไม่ไม่มีใช่หนาดินไหม้มันหลอกเราหนึ่งแล้วนะเนี่ยจับอะไรภาพเอาไปอีกตรงไห น, น นั่นก็หลอกไว่าตรงนั้นว่าตรงนั้นแล้วว่าตรงนี้ก็บุกป่าเลย่ะเอานั่งวันนี้นะงั้นเนี่ยเอาชนะสิ่งนะจิตเอาถ้าว่าความกล้าหาญไม่เกิดถ้าไม่ชนะสิ่งตรงนี้ได้แล้ววันนี้ทั้งคืนจะไม่หยุดใครจะว่าเป็นบ้านหรืบอกออกตรงไหนปาไหนถูกบ้านไหนก็ตามถึกวันนี้จะดัดขั้นดันเราไม่เป็นบ้านเราดัดเราที่เลือตัวมันหลอกเราเราต่างหากก็บกใหญ่พิชิตนาเรื่อยไปบุกไปเรื่อยที่ิตนาเรื่อยว่าเสือยังไหง โดดเข้าไปไม่มีฟืนมีไฟนั่นนี่บุกตปกลางคืนนี่เลยมีแต่ผ่าอังสะเท่านั้นแหละนี่มันทาเลยนะผมอ่ะอาอยู่ตรงไหนเอากินก็กินเถอะวะท่าหนักศาสนาทาแบบนี้่าถ้าขี้ขาดบาทตัวนี่อย่าให้อยู่หนักศาสนานานเลยอ่ะไม่รู้ให้ตายว่านี้ะไม่ตายให้ลูอ่ะอะไรนั่นเนีย ทำามเกิดความกล้าหาญจนเป็นที่แน่ใจตัวเองก็เมื่อไรแล้วจะกลับไม่ได้แล้วเนี่ยเอาให้ถึงเหตุถึงผลกันเสือมิถลัยมามาหนุ่มมากินคนภาที่ข่าหนักศาสนาองค์เดียวนี่เอากินเถอะไม่เสีได้แล้วรทั้งนั้นทําบุกบุกเรื่อยเดินเรื่อยกําหนดพิจณาเรื่อยที่นั่นว่าที่นี่ที่ว่าที่นั่นอเสือตัวนั้นตัวนั้นเสือตัวนี้ไปไหนไม่มีเสือหนึ่งรอเขาหรอรู้ด้วยรู้เพลงของมันเรื่อยเรื่อยแบบตามมันทันเพราะกําหนดพิจณาไม่ถอยนี่ ไม่ใช่ไปบุกป่าแบบบ้าๆแบบภาวนาว่าไงสุดจะวิธีภาวนาหาธรรมแบบนั้นเพราะอยวพอรู้ เ, เขารูเา้เขาเข้าใจเขาเรื่อยๆที่กล้าหานขึ้นมาโอ้โหบางวลามักล้าหานตัวสั่นเหมือนกันกับมันกลัวนะอะทีนี้ไม่ว่าแจ่อะไรถึงหมดโลกไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นอาหารจนตัวสั่นเลยที่อํานาจการทำเวลาเราปฏิบัติ ไม่ว่าเสือไม่ว่าช้างอะไรมาก็เถอะมันจะอ้าปากล้วโดดทนในปากมันได้เลยโดยมันจะงับเราไม่ได้ช้างก็ท้างเถอะงั้นนเลยจะเดินก็ไปหามันด้วยสมัยอะไรก็ต่างขึ้นชื่อว่าศัตรูเรืออันตรายแล้วไม่มีกลัวเมื่อไม่กลัวแล้วไปสมัยจริงไ ม, ไม่ไม่กลัวแล้วกลับกลับกลับมาเดินมีกรมสบายสิไม่มีอะไรเลยจึงไม่เห็นโทษของมันบาง นี่มายถึงเป็นระยะเป็นข้างคำไม่ใช่มันระงับไม่ใช่มันดับไปทีเดียวจึงหมดไม่ต้องแก้ไขกันอีกนะมันมีขึ้นอีกได้เหมือนกันอืมไม่วันใดก็วันหนึ่งมันแสดงขึ้นมาเอาอีกเหลือนั่งเพราะเราเคยเห็นเหตุการณ์เหตุผลมาแล้วเนี่ยเราได้เห็นได้ผลกับวิธีการนี้มาแล้วเอาอีกเหลือมันโอยหมอกเลย น, นี่จะพูดถึงเรื่องความกลัวกลัวเอาอย่างนี้อ่าแบบาตัดมันแบบนี้ พูดถึงเรื่องนั่งเอาทุกขนาดไหนเราให้มันเห็นความทุกข์มันไม่เลยนะท่าขันนี่ไปมันอยู่ในท่าในฐานนี่พิจารณาค้นมันรู้ ว, ว่าทุกทุกท่กทานผู้บริจาคท่านบอกทุกขันอนไรสัจจังว่าเป็นสัจธรรมเป็นของกินทำมาอยู่กับเรามันจริงปองมันปองก็เห็นไหลเอาแล้วกันนาทีนึงพูดถึงเรื่องทุกขเวทนากําหนดกันบอกาว่ า, วางเป็นอย่างน้อย เป็นวันใหม่หรือมันจ ะ, ตะเตลิดเปิดเปลืมงไปแล้วก็แล้วแต่เหตุการณ์ของมันแต่อย่างน้อยต้องสว่างเป็นวันใหม่ไว้ก่อนถึงจะลุกจากที่มีอยู่เมือม่อเมื่อยังไม่ถึงมันแล้วเอาอะไรจะขาดขาดไปถึงวันนี้จะถอยกันไม่ได้ถ้าไม่รู้สัจธรรมพวกปุณแล้วสาทุกขึ้นเลยยกมือขึ้นสาตุก ส, สัจธรรมมีเท่าไรขอแสดงให้พระพเจ้ารู้เห็นให้หมดวันนี้พราพเจ้าจะฟังสัจธรรมนี้จนกระทั่งหนึ่งสว่างสองตายไปเท่านั้น หากว่าฉลบทลงไปล้มลงไปได้จะติแล้วจะลุกขึ้นมานั่ ง, งทันทีไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อแม้เช่นเว้นปวดทายหนักเบาไม่มียกเว้นนึงเด็ดเหตุอันตรายทุกชนจะเกิดขึ้นในวงวัดเช่นเกิด ข, ขึ้นกับคุณอาจารย์หรือพระในองค์ใดอันนั้นเรายกให้เขา อ, อยู่กับหัวด้วยรู้ก่ได้แต่ท่านมาเจอของนี่อะไรก็เถิดวางั้นเลย อขี้มันจะปวดเราอามันทันละลักออกเลยเราลุกเวลาเราออกจากที่แล้วเราล้างได้ัแต่เราขี้จะตักแม่ขี้จะมือแม่ทำํำมาเราขี้ได้ขี้จะตัวผ้าขงเราเองเราล้างไม่ได้เลยมันไม่ปวูวัอถ้าเราไปมีข้อแม่แล้วมันจะหาทางออกเนื้อวปวดหนักเนื้อวปวดเบาเลยไม่ได้เรื่องไม่มีอะไรเป็นค้อมมันมีอะไรแล้วมัดมันไม่เลยนั่นอ้าแล้วทีมันจะทํางาน ตอนทุกเวทนานหนักหนักนีกน่โอ้โหจิตมันนั่นแหละคนเราไม่เด็โง่ตลอดไปนะได้ความรู้ขึ้นมาีหน่าเนี่ยเวลาจนกรอบจนมุมแล้วอัตตาเหตุตานุนัโถจะเด่นทีเดียวไม่มีทางใครช่วยอยู่แล้วเราช่วยตัวเองเจ็บหนักปวดหนักลำบากมากเท่าไรทุกมากเท่ไรสติปัญญายี่หมุนติ้วติ้พ้นหาความจริงมันทุกข์ที่ตรงไหนอ่ะ ทุกที่รงไหนมากเอาตรงนั้นเป็นเป้าหมายเอาตรงนั้นเป็นสนามโลกเป็นสถานที่พิจารณาเช่อนอย่างเอวมันจะหักนีม่มันจะหักตรงไหนอะไรหักอะไรเจ็บหนังหรือเจ็บกระดูกหรือเป็นทุกหรือเอ็นเป็นทุกหรืออะไรเป็นทุกเรายกครอบเกลียบเกียบเข้าทันเหตุทันผลปุ๊บปั๊บปุ๊บปับปุบทุ ก, ก, ก, กมากเท่าไรยิ่ง ing, หมุนปัญญา ย, ยิ่งหมุนจะอยู่เฉยไม่ได้อยากให้ทุกข์ดับไปเท่าไรยิ่งเป็นการเพิ่มัจมู่ไทยขึ้นมากคือความอยาก เราต้องพิจารณาให้เห็นความจริงฟาดลงไปก็สิ่หนึ่งแยกแยกได้ยกอย่างชัดเจนหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อต่างอันต่างจริงสรุปแล้วกายเป็นกายต่างอันต่างจริงเวทนาเป็นเวทนาเป็นความจริงล้วนๆโอ้นี่ท่านว่าทุกขังอต่างเป็นความจริงเป็นอย่างนี้เองเนี่ยไม่ต้องถามใครเลยมันรู้ประจักษ์ใจอืมกายเป็นความจริงของกายเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นสุขเป็นทุกข์แต่เผาไฟเมือนจิต มันมีครองอยู่ในล่างนั้นแล้วเขาก็เห็นว่าอะไรมันใคยเป็นคนว่าทุกข์นี้มันเกิดขึ้นจากไหนอ่ตั้วว่าใจเป็นทุกข์อ้าวใจยังมีอยู่ทุกเวลาทําไมทุกประเภทนี้ถึงเพิ่มมาเกิดอแล้วทุกประเภทนี้ดับไปใจทําไมไม่ดับด้วยถ้าว่าใจเป็นทุกข์ทุกเป็นกายเป็งอันเดียวมันจริงตัวว่ากายเป็นทุกข์ทุกเป็นกายก็เหมือนกันนะเวลาทุกข์นี้ดับไปทําไมกายยังมียังมีอยู่ไม่เห็นดับไปด้วยล่ะ มันยากมันแยกําหนดกี่อย่างไหนกีดจ่อลงไปจ่อลงไปกําหนดลงไปพอมันรอบมันนี่ก็ทุกดับม ด, มดเลยไม่มีเหลือออกจากทุกดับหมุนร่างกายหายเงีบไปหมดความรู้สึกแต่ใครจะมาคาดนะให้เป็นตามดับธรรมชาติบนเองจะมาคาดอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นสมบัติของใครของเราตามกลิ่นนิสัยใใอะไรของของใครจะแสดงขึ้นมาอย่างไรจากภาพกระเดื่องตัวเองจากทราบเอ ง, เ, องเป็นสาธิร์ที่ดี ยาฆ่าตเราเรื่องของคนนั้นคนนี้มาใส่ตัวนอกจากจะยึดเอาปฏิบัติทางวิธีดำเนินอของท่านมาปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลตามเจดิย์แสงสุนเท่านั้นอันนั้นถูกต้องการที่จะมายึดกินของเราเป็นอย่างนี้ให้มันดับร่างกายทุกข์กวนไม่มีอะไรเหลื อ, อยาไปคิดไม่ได้นะมันเป็นตามมือใครนแต่ผมเองมันก็เคยเป็นหลายอย่างผมก็ไม่ค้านเจ้าของเพราะ จะข้านจะของไหนว่าเป็นความกินแต่และอย่างอย่างไปข้านความทิงได้เลยเวลามันดับหมดมันไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายเหลือแต่จิตที่เป็นของอัศาจรรย์ล้นล้วนหนึ่งเมื่อเหลือแต่จิตเท่านั้นอะไรก็อัศาจรรย์เท่านั้น ท, ทั้งที่อวิชชามันก็มีอยู่ในใจนะแต่ขณะนั้นมันอัศาจรรย์ที่สุดเพราะเราไม่เคยเห็นนี่ ม, มันรวมลงกันเต็มที่เลยอกลายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิเตเป็นจิตแ น, น่ทิ้งางอันต่างทิงแล้วมันก็ไม่กระทบกันหลังจากนั้นมัน พางพลานไปแล้วเวทนาดับหมดพลับหมดกายหายเนี่ยสักเทวารู้พูดไม่ได้นะว่ามีแต่ความรู้ล้วนๆเด่นๆไม่ได้นะละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกเราจะพูดได้เพียงว่าสักเทวารู้หากเป็นของวัฏจรย์อย่างยิ่งแหนยฟังสิมีทางนั้นอย่างนี้เรตาขุดเลยเ น, นี่ยนี่แหละผลของปัญญาเกิดขึ้นจากปัญญาการพยายาิจารณาคนเราจึง มันไม่ได้โง่ตลอดไปนาคนเราอาศัยพึ่งพิงคนอื่นนิสัยชอบพึ่งคนอื่ น, น, น, นไม่ชอบพึ่งตัวเองไม่ได้เลือกนิสัยของมนุษย์เราชอบเป็นอย่างนั้นแต่เวลาชนถึงข่ายจนตอกจะงมหาที่ยืนไว้แล้วมันย้อนเข้ามาตัวเองเพึ่งตัวเองนี่แหละเป็นอัตจีนเป็นนาโศอังงนนี้เด่นครับพอได้ที่หนหนึ่งแล้วท่านนั้น่ะที่นี่มันยิ่งมีความกล้าหาญผานชัยขั้งต่อไปนั้นเอาฟาดลงไปอีก แต่การพิจารณเาเราจะยึดอารมณ์อดีตทั้งนเราพิจารณาไม่ได้นะให้มันเกิดขึ้นมา ส, สดๆร้อนๆโดยอุบายของเราในปัจจุบันปัจจุบันแต่แต่ละการละครั้งนี้ให้เราคิดขึ้นมาเองแม้จะโกงกับอุบายอันเก่าก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆภในปัจจุบันเป็นความถูกต้องเหมาะสมนกันก้าวขี้เหแต่ ถ, ถ้าไปคาดนั้นมาใช้มันวันนี้เราเอาด้นมาคาดได้ผลนึงเราไปคานั้นไม่ได้นะมันต้องเป็นอุบายใหม่ขึ้นมาเท่านั้นเนี่ย ขึ้นมาปัจจุบันปัจจุบันคิดขึ้นมาค้นขึ้นมาพิจารณาขึ้นมามันหักลู่ขึ้นมาเองอันนั้นเหมาะกับการแก้ที่เหลวซึ่งมันมีอยู่ในปัจจุบันเพื่อภารกิจอย่างนี้อย่างนี้ไหนการพิจารณาดูมันทักก็ดูมันมีมันตั้งแต่วันเกิดหมอมันปวดกระดูเนี่ยมันเข้าใจว่ากระดูเป็นทุกข์เนี่ยมันก็สงวนกระดูกรกำหนดดูกระดูแล้วกำหนดดูทุกข์มันเป็นอเดียวกันมหมแล้วลักษณะมันต่างกันไหม ทุกมันมีไม่มีรูปมีลักษณะแต่กระดูกมันมีรูปมีลักษณะมีสีสันมันน่ะหนังเนื้อเอ็นเหมือนคันทุกเวทนามันไม่ได้มีรูปมีลักษณะมันต่างกันหนังนี่แยกลงไปที่นาใบจิตมันจ่อจ่อจ่อกำหนดลงไปทุกมากอะไรมันยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วจนกระทั่งมันรอบเข้าใจแล้วปล่อยเห็นน้วผลนี่อัศจรรย์เกิดแล้ว โอโหอาจฐานนี่สมาธิประเภทนี้อาจฐานมากผิดกับสมาธิที่เรากําหนดให้สงบโดยลําพังเพราะอย่างผมนี่มันทำนานสมาธิไม่ใช่คุยพูดให้หมู่เพื่อนฟังซึ่งเป็นลูกศิลป์ลูหาพูดเป็นนานเองพูดให้ฟังตามคำสั่งคำสั่งอย่างสมาธินี้ทํําานานจริงๆพรอมติดสมาธิอยู่นั้ตั้งห้าปีกําหนดให้ลงเมืองอะไรก็ได้ลงไปมันแนวหนั่นเสีย ไม่อาจฐานเหมือนกับทสงกลงไปด้วยปัญญากําหนดพิจารณาลู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยลงไปนี่มันอาจฐานมากนะสร้าง่าภาเผยภายในนั้นผิดกันกับที่เข้าไปสงบหยุดเฉยผิดกันอยู่มากที่เวลาถอนออกมาแล้วก็ได้ความอาจฐานได้เป็นเครื่องหรือเป็นคติเตือนเจ้าของเบ็ดอินเดีนะึ่ง เราได้เห็นผลครั้งหนึ่งแล้วเทานั้นที่นี้จิตใจมันจะกล้าหาญเป็นคนใหม่ขึ้นมาเลยเรื่องความตายไม่มีสติปัญญานีแต่จะให้รู้ความจริงเท่านั้นเอาตายก็ตายเธอเนี่ยแน่ใจเจ้าของโดวยว่าจะไม่พังไม่เผล อ, พอเพราะอานาจแห็นทุกเวทนามาครอบเมื่นไหรเวลาจะตายเจะเาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเรา啊 ก็เ ว, เวทนาที่ปรากฏในเวลานี้ทุกสางหารก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ผิดกับอางนี้ไปนี่เราก็ได้พิจารณาแล้วได้ดูแล้วได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเป็นสัจธรรมเต็มภูมิใจ ก, ก็เป็นสัจจะคือความจริงนหนึ่เต็มภูมิของใจเวลาจะตายจะ อ, อะไรมาหลอกเราว่าเจ้านัน เ, เวทนาหน้าไหนมาหลอกเราคอยหลงแล้ะยังแยกอีกเรื่องความตายมันอะไรตายเนี่ยมันเข้าใจเป็นขนาดนั้นนะ ธาตุสีน้ำมันไฟสลายตรวมกันมันตายที่ไหนมันลงไปสู่ธาตุเดิมของมันจิตก็เป็นจิตต่างอันต่างกิ่งแง่นี่มันก็อาจฐานทานใจต่อความเป็นความตายต่อความทุกข์ความลนบากจิตใจยิ่งสง่าผ่าเผยขึ้นมาโดยลำบากนี่ยนี่ถึงค่าวที่สละตายนี่ได้สละมาไม่ทราบผีทั้งแรงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความปลัอะไรๆในนี้ก็เคยทําแบบนั้นสละตายแบบนั้น เรื่องทุกขเวทนาเนี่ยมันกลัวทุกขเวทนาก็ชนะตาแบบนี้แล้วได้ผลทุกแบบที่ทํามานี่เฉพาะอย่างยิ่งการนั่งภานาถ้าลงวันไหนได้ฝฟาดลงตลอดลุ่งแล้ววันนั้นต้องเยี่ยมทุกวันเป็นแต่เพียงว่ามันลงได้ยากง่ายต่างกันช้านานต่างกันถ้าอากาศดีๆฝนยิ่งให้ฝนทํา มันเรานั่งภาวนาวันตลอดลุง่งให้ฝนมันทราตลอดลุ่มโอ้โหวันนั้นช่วยได้ที่สุดนะอุตส่าห์ปายะเืออินฟ้าอ า, ากาศเป็นที่มาช่วยกวารภาวนาเด็ได้ดีพิจารณานี่เหมือนเราคีมปากคมๆลนะ่ะพอหนีป้าปิด ป, ป, ป้าปิดปะากำหนดพิจารณาอนะไรมันมันเข้าใจป้าเข้าใจป้าทะลุทะลุทะลุะละละเฉยๆก็ลงถึงเนี่ยถ้าวันเช่นนั้นทุกเวทนาไม่ครอบมนะันผิดกันนะ นั่งเวลาเท่ากันก็ตามสำคัญอยู่ที่จิตลงได้ยากไปงา่ายจิตพิจรณ า, ายากพยานง่ายลงยากลงง่ายถ้าวันไหนมันฟาดลงมาจนบอบชําจนจะเป็นจะตายแล้วถึงลงวันนั้นทบมากวันไหนก็จัป บ, ป, ป, บ, ป, ป, บปั๊บปิดปั๊บปิดับลงปุ๊บแลพอถอนพอถอนพึ่งมากำหนดพิจรารณาอีกลงปุ๊บอีกเนี่ยทุกเวทนาไม่พอจะมาครอบงำได้ พอถึงเวลาแล้วลุกขึ้นไปเฉยธรรมดาเหมือนเราเหมือนไม่ได้นั่งตลอดดุ่งนะไม่มีความเจ็บปวดอะไรเลยโอ้โหมันย้อนให้หลังไปคิดถึงเรื่องขอพระพุทธเจ้าสาวกที่ท่านเข้าสมาเข้าในโรกสมาบัติกินในขณะที่มันเป็นเอกเทศเพียงอันเดียวนั้นมันไม่รับทราบอะไรในส่วนร่างกายแล้วจะอยู่ไปตั้งกับตั้งกันทำไมันจะอยู่ไม่ได้แน่มันเป็นอย่างนั้นนะกินะแต่ยังไงมันก็หนึงว่าร่างกายเป็นกลางตุขนาฏตา ธุรกิจมันไม่มาเกี่ยวกันเลยเรามาเทียบกันเร่อทุกเวทนาวันมีมากมีน้อยทั้งๆคือเวลาเท่ากั น, กนเพราะการพิจารณาลำบากสะดวกต่างกันนี่เราก็ได้ข้อคิดได้เป็นคติเครื่องสอนเจ้าของแต่อย่างไรก็ตามได้ทุกครั้งถ้าลงได้ถึงมันนี้ได้ทุกครั้งเลยเรื่องความมรักษาไม่สงสยัย การภาวนาสำหรับผมมันซากตายเราก็พอใจคิดย้อนหลังนี่ภูมิใจความเพี่ยนเรื่องของเวลามาอยู่กับหมูกับเพื่อนเห็นทําืดยืดเห็นทํางอกอกอย่างเงี้ยมันลำคัญเราสอนบอกเพื่อนอย่างนี้แทนที่จะได้เข้าออกเข้าใจซึ่งเป็นของดำหยาไม่ต้องมาบอกกันซ้ำซากซากที่มันลําคันีอ๊มันยังไงมันยังไงมันทําให้ชงหนสนเทศนจใจ เอ๊ะมันยังไง น, นี่พอมาตั้งจิตตั้งจะมาฟังทําให้พูดอย่างนี้นี่ไม่รู้เรื่องเนี่ยซึ่งไม่ใช่เป็นของละเอียดอะไรพอจะท่ อ, องบุท่องวัตรยายเหมือสนสวดมนต์สวดพรพิจารณาเข้าอย่าเอาเรื่องอะไรมายุ่งเหยิงวุ่นว า, นายภายจิตใจดำเนินตามนี้กิดเลสมันจัดพ้นได้เหรอพระวิชาแก้กิดเลสด้วยวิธีนี้ด้วยอุบายเหล่านี้ทําไม กิเลสเป็นประเภทเดียวกันกับขับ้พุูตการธรรมะเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทเดียวกันความเพียรประเภทเดียวกันและทสมัหมันจะแก้ละลายว่ะ อ, อาการิโกะหมายถึงอะไรกิเลสก็มีอยู่กับเราตลอดกาลเวลานในหัวใจเนี่ยธรรมะเมื่อผิดขึ้นมาความภาคเพียร ม, มก็มีได้สํตลอดเวลาได้มีได้ทุกการทุกสมัยเอาแก่กิเลสได้ได้แล้วก็เป็นอาการวิจกรรมจิตอาการวิจกรรมเป็นธรรมแท่งเดียว หาการหาเวลาไม่ได้นี่มันก็มีนะอาสัญญารู้สึกหน่อยาธรรมญา